เรานั่งปฏิบัติธรรมกัน ต, ตัะเ็นวันนี้เราสรวจนี้ใช้ลักณะของปัจจเวกเลยปัจจเวกเป็นหาปัจจเวกการแก่การเจ็บการตายหรือว่าปั จ, จัจสี่ อันนี้เรียกว่าปัจจเวคณาญาณญาณก็คือมันเป็นตัวปัญญา mm. ที่เกิดการพิจารณาการใกล้าการควร mm. พินิปิเคราะห์ mm. มุ่งแต่ชาประโยชน์ mm. หรือว่าเห็นว่ามันคือความจริงอย่างไร mm. มันเป็นปภะ mm. mm. มีอยู่ในการพิจารณา ธาตุสี่ก็ตามธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมร่างกายของเราเป็นรูปธรรมแต่ว่าก่อนจะพิจารณาให้ละเอียดแล้วก็ถูกต้องเลยนะถ้าเป็นลนักษณะของภาวนามันไม่ได้คิดเอาหรอกมันรับรู้เป็นสภาพของพระไตรลักษณ์เป็นอาการ เรียกว่ารู้เบื้องต้นเลยก็นำรูปภิเชตยานรู้เบื้องต้นเลยนะก่อนที่มันจะเป็นวิปัสสนาได้ต้องนำรูปริเชตยานก่อนมันสงเคราะห์ได้แต่มันไม่มีภาษาหรอกภาษาก็มีเอาไว้พูดเอาไว้แสดงออกเอาไว้บอกกันแต่ว่าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นมาในตัวของเราเนี่แหละ าการที่เกิดมาจากความรู้สึกตัวมันโล่งเลยอันนี้เกอการของรูปมันโล่งอันนี้เกอการของนามจิตมันคิดคิดถูกคิดไม่ถูกเป็นสมมาทิทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นถูกเห็นไม่ถูก พิชาาเห็นเหตุเจนในหมวดที่เรียกว่าธาตุปัจจเหกุธาตุปพร ะ, พะมันก็มีนะเยียบบปพร ะ, พะมันก็มีเรื่องที่เราทำกันเราปฏิบัติกันเระะนนนื่สามัญญาปพระอย่างเงี้ยมันมีอยู่สมัญญาปพระเราเดินอยู่ เรนั่งอยู่เอียบทปัพระนั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวรู้สึกตัวตอนรับประทานอาหารก็นึกถึงว่าตอนถ่ายจะเป็นยังไงตอนทายก็นึกถึงว่าตอนรับประทานเป็นยังไง น, นี่ปฏิกูลปัพระเป็นฉบับที่มันมีอยู่แต่ไม่จะมานั่งท่องกันนะ มันเป็นเรื่องของการสังเกตความรู้สึกตัวที่เกิดขึ้นที่รูปนามแล้วที่นามรูปก็คือที่กายที่ใจเบื้องต้นเนี่ยแหละจนมันเห็นกายภายในบ้างกายภายนอกบ้างและภายนอกและภายในบ้างเห็นกายภายนอกเป็นยังไงกายภายในเป็นยังไงกายเนื้อกายหนังกายทิพมันมีอยู่ ไก่เนื้อไก่หนังก็ทาสี่นั่นแหละไก่<น>ที่ก็คือไกาย่วิญญาณรู้สึกได้มโนวิญญาณที่มีสติสมัมผัสรู้รู้ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาส ม, มาธิเกิดปัญญาพุทธะเื่อมัก็เห็นถูกในกองขันหน้าก็แล้วอันนี้เป็นระ่องของจิตตภาวนา เป็นปัญญาที่มันขนส่งเลยล่ะ <Yeah. S 1> ขนส่งให้เราเห็นความจริง mm hmm. ยังไงยังไงมันก็เป็นปัจจัยนะภายนอกภายในที่ประชุมลงตัวพอใจพอดจมันก็รู้สึกสะดวกในการที่ยะมลงทาดกันใจทาดกัน mm hmm. ต้องตื่นยานหลับ mm hmm. ก็ปลอดภัยเกิดประโยชน์ตอนเกิดสันติสุขเป็นภาพของความสุขสันติภาพสารติอยู่เย็นเป็นสุขจนเงินจะไม่จนใจใเว น, นี้ก็เหมือนพระสันโดษใจมันไม่จนความรู้สึกตัวมันก็พา ให้เห็นความจริงที่เกิดขึ้นขณะต่อขณะทียิบเลยมันมีวิธีการสมถะหลายวิธีกเกินวิธีคิดแล้วก็เกิดเมตตาขึ้นมาพยายามหนึ่งวันนี่ขนกวคิดดีปูดดีทำดีไม่ประมาณอภัยมัญญาอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมถะ เรียกว่าอาปัญญาสี่ในสีสิวิตีมก็มีอยู่จริงๆวันนากสินมองสีต่างๆวันนะักสินสีขาวสีเหลืองสีแสดก็เลือกดูเอาก็เจอว่าคนที่หาเหตุละโงกนนะก็เล่นกสินนั่นะ ก็เลือกว่าเออเห็ดละงอกเนี่ยเป็นยังไงสียังไงจิตก็จะจับไว้เลยตามันก็จะดูเห็นขาวๆบางทีถ้าจับไม่ดีเนี่ยกลายเป็นกะละมังไปกว่าอยู่ในสวนเนอะ น, นึกว่าเห็ดเขีย่ยแล้วเขีย่ยเอียงนะมาเรียนนะบางทีเป็นโฟมอย่างเงี้ยเลไปเขีย่ยออาโฟมเนี่ยแกมาทิ้งไว้ในป่ามันสีใกล้ๆ ก, ก, กันแต่ถ้าคนจิตละเอียดจริงๆจะเห็นละ อีกความเนียนความวาวอันนี้ก็เป็นสมาธินะสมถกรรมฐานนนได้ประโยชน์ทีเดียว mm hmm. เิรียนาเห็น mm hmm. เช่นอสุภะกรรมฐานก็เหมือนกัน mm hmm. อันนี้ก็สงเคราะห์ อ, อยู่ในสมถะแต่ทำเป็นก็เป็นตดยแบบศาสนาได้ ดูศพในป่าช้าเห็นศพหมดลมหายใจสีใกล้เปลี่ยนจากปกติเป็นเขียวคํำอืดขึ้นอืดจากสัตว์ก็เหมือนกันแหละทีแรกก็อ่อนนุ่มนานๆไปก็ลมมันดันพองบวมแข็งกระดกก็แข็งทื่อเอ็นก็ยืด ดูหนึ่งวันสองวันสามวันค่อยๆน้ำเหลืองเยิ้มนอนเยอะแยะเคยดูมาแล้วนะที่ปุ่นเนี่ยบางทีก็ล้างป่าชงป่าชาบางทีก็ถึงขั้นปิดทองเลยตายไม่เน่าไม่เปื่อยแต่บางคนหเหลือแต่กระดูกกระจัดกระจาย แต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงก็น้องก็มาใส่ตัวนะ่คิดพิจารณาบางทีกินข้าวไม่ลงนลอันนี้ลักษณะของการที่เรียกว่าส ม, มะถะกรรมฐานที่นี่เราไม่เกี่ยวข้องด้วยอะไรทั้งนั้นนะเกี่ยวข้องแต่การเคลื่อนไหวแล้วมีความรู้สึกตัวมันก็จึงไม่มีอะไรมากเพียงแค่เรารู้ความจริงของความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันขณะ เกิดกันหนึ่งไหวกันหนึ่งรู้สึกตัวกางหนึ่งกระทบสัมผัสทุกครังที่เนื้อกับเนื้อมันโดนกันอ่ะมันมีความรู้สึกตึกตึกตึกเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยอันนี้หยาบสุดเราก็เห็นมันจะเรียกสมถะหรือเรียกวิปัสสนาหรือจะเรียกอะไรก็ยังมันเถอะเพียงแค่ว่ามันรู้สึกกันแล้วกันละมันก็เท่ากับออกมาจากความคิดเรียบร้อยแล้ว ความคิดที่เคยมีอำนาจจางๆเบาๆบางๆตัวเล็กลงเคยก้อนโตๆก้อนใ ห, ใหญ่ๆเล็กลงไม่ค่อยจะมีพลังเท่าไหร่จะทำให้เราหัวเราะทำให้เราร้องไห้ทำให้เราเกิดความรักความจางความสุขความทุกข์มันไม่ถึงระดันั้นเพราะว่า ความรู้สึกตัวมันเด่นกว่าความรู้สึกตัวที่เราผลิตมันใหญ่กว่ามันชัดกว่ามันก็เลือกเป็นความตั้งใจที่จะเคลื่อนการใส่ใจลงไปทุกครั้งที่มันกระทบสัมผัสมันก็รู้สึกมีเจตนากระทำเจตนานก็คือ มันไม่หันไปทางไหนหรอกมันรู้แล้วว่ากำลังทำอะไรอยู่กรรมาฐานกรรมาฐานเดินจงกรมอยู่ก็เจตนาเดินอยู่รู้สึกตัวอยู่รู้ขณะที่เดินนี่แหละสิ่งที่ผลิตนี่แหละยกมืออยู่ก็รู้ยกมืออยู่ขณะนี้อยู่ตรงไหนพิกมือตั้งอยู่อ่ารู้ว่ามือตั้งอยู่ทุกครั้งที่มันรู้สึกตรงไหนจิตมันก็อยู่ตรงนั้น กจิตมันอยู่กับกายก็รู้ที่กายมันก็เห็นจิตเห็นความรู้สึกเห็นกายในกายเวลาเกิดความคิดมันก็เห็นอาการของจิตที่มันไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นอาการธรรมชาติของจิตก็ไมนได้ไปว่าอะไรไม่ได้ห้ามความคิดแต่ว่าเมื่อคิดมาเราก็รู้ทันเพราะว่ามันเป็นปกติอยู่มันมีสติอยู่ หลวงปู่เทียนก็เปรียบเทียบเหมือนแมวกับหนูเหมือนแมวกับหนูใหม่ๆแมวมันเล็กมันก็ตื่นเลยเวลาเห็นหนูเห็นผู้เห็นคนเหมือนแมวแม่เพียนนะเมื่อกี้ขึ้นมาก็เจอมนอนตอนนี้มันไว้ใจพระมากเลยเมื่อก่อนแล้วมันเห็นอาตมามันวิ่งปุบปุบปุบปุบปุบปุบบเดี๋ยวนี้มันโตแล้วมันรู้แล้ว มันก็มองเฉยๆสติอ่านมันเป็นอย่างนั้นเมือันวันโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาวันไหนก็ตามวันที่มันโตมันก็รู้สึกว่ามันก็คุณแล้วล่ะการเห็นความคิดบ่อยๆก็คุนแล้วล่ะถ้าห้ามมัมีการกดข่มมาเป็นสมถะกรรมฐานทันที แต่ถ้าปล่อยเ้าก็รู้ว่ามันก็เป็นวิปัสนากรรมฐานทันทีเราได้เห็นความจริงอย่างนั้นนะต่อหลังถ้ามันเกิดการพิจารณาขึ้นมาเป็นตัวปัญญา ย, ยัางเห็นตรงแล้วแก้ไขถูกต้องมันเป็นตัวปัจเจกเห็นการแก่เห็นการเจ็บเห็นการตายแล้วก็จริงอย่างที่หพ่อท่านพูดแหละมองไปสองทา ง, งทันทีมีแก่ก็มีปกติปกติคือไม่แก่ มีแก่มันก็มีไม่แก่จริงๆอะตัวรู้สึกไม่ได้แก่มีเจ็บมันก็มีไม่เจ็บจริงๆว่าตัวรู้สึกไม่ได้เจ็บ น, นตัวรู้สึกต่ตัวรู้กับรู้ เ, รเป็นธรรมดาธร ร, รรมชาติไม่ใช่ว่าเจ็บหรือไม่เจ็บมันมีอยู่สถานการณ์ที่มันตายมันยังไม่ต้องหมดลมหายใจหรอก บาทีเราอาบน้ําำด้วแดดร้อนๆทางานมามีเหงื่อเราถูขี้ไข่อดูเอา้านี่เซลล์มันตายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยผมมันร่วงหลุดมาแล้วเนี่ยปกติมันจะเสียดายผมขนเล็บกันหนังหมเันเสียดายมันดูแล้วมันก็หลายคนก็รักษานะหนังครัปั่นกลมก้นกลมๆแต่แค่ผลพู้ชายเป็นความสวยมากเคลือบ ดูแลเนียนแต่ว่านานๆก็อ้ามันก็ตายเซลล์มันตายอย่างจะมาเริ่มเห็นเซลล์มันตายเยอะมากในตัวเนี่ยไอ้ที่นั่งในแถวแถวตตุ่มแถวแถวหัวเขาเนีมันลอกออกมาเซลล์มันตายมันนั่งกดแทบมันเป็นล้วษะที่มันไม่ใช่ผิวอ่อนนุ่มแล้วเดินไปเดินมารองเท้าไม่ได้ใส่ก็ด้านหลายจุดเลยด้านแล้วก็เป็นลักะที่มัน มันเป็นตายมันบอกถึงว่าเผิวมันตายแล้วล่ะเซลลันตายมันตายอยู่ตลอดเว ล, เวลาเลยจนกระทั่งทางการแพทย์นก็ระบุไว้ชัดเลยว่าเวลาเราออายุเกินเจ็ดปีขึ้นไปเซลล์มันตายตลอดหรือว่าอายุสี่สิบปีขึ้นไปเซลล์ สมองบรรละสามพันหน่วยความจำํำตายทุกวันอายุเกินสี่สิบมันก็หลงก็ลืมสมองอาการอัลไซเมอร์ความจําเสื่อมก็เกิดนันก็เป็นเรื่องธรรมดาแหละตายทั่งนั้นแหละอาหารใหม่ไรอาหารเก่าก็เป็นอาการตายทั้งหมดนั่นเสื่อมมันก็เลยหมุน เวียนเปลี่ยนไปนะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นไหมความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่เฉ่ตัวไม่ใช่ตนะมันเห็นนะสัมผัสได้อยู่ยึดเอาอะไรไม่ได้ถือเอาอะไรไม่ได้เลยนะจะได้เหมือนกันขนาดต่อขนาดเฉพาะนะกาลเทศะเฉพาะการเฉพาะกิจนะอย่างเนี้ย ก็วางเป็นเหมือนกันนะเวลาเรามีความรู้สึกตัววางโอววางตานะเรือปัญญามันวางความทุกข์หลายอย่างที่มันเคยหลงนะความทุกข์เคยยึดเอ า, าเป็นเราสุขสวยรวยดีเป็นเราถ้าสมเห็นความจริงเอาอะไรไม่ได้ในโลกนี้ หลายอย่างเป็นสมบัติผัจกันชมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราว่าไม่ดีกว่าหนุนว่าดีนไอที่เราว่าดีกว็หนุนก็เที่งแล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆเราก็เห็นไม่ต่างความคิดก็เหมือนกันเห็นแล้วเห็นอีกบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีเราก็วางไว้ก่อนวางไว้ก่อนมันไม่ใช่เวลาที่เรามาคิดดีคิดไม่ดีเวลาปฏิบัติ คิดดีก็แมวคิดไม่ดีก็แมวเป็ความรู้ส well> ึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวเห็นที่มันเป็นอสุภะหน่าเกลียดที่สุดคืความคิดของเรานี่แหละอสุภะน้าเกลียดหน้าเกียดเชื่อไม่ก็ได้ผีหลอกไม่กลัวคนอื่นหลอกก็ไม่กลัวแต่ความคิดของเราที่มันคิดมันหลอก เราตงดูดีๆดูชัดๆทิ้มขันที่สุดก็คืออย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันะกลับมาที่ความรู้สึกที่กายก่อนฐานกายของเราเรียกว่าสแตนบายไว้ตลอดเวลาจะรวยขนาดไหนมั่งข้างขนาดไหนไอที่เก็บไว้มันอยู่ที่มันเก็บนั่นแหละจะแก่เท่าขนาดไหนงานที่เราชอบเราก็ทําต่อไปงานที่เราเคยทํำเราก็ทําต่อไปคนรวยทําตัวรวยยังไงก็จน คนจนทำตัวรวยยังไงก็นจนคนรวยทำตัวจนยังไงก็รวยเราก็เลยระมัดระวังเก็บหอลอมริบก็เรียกว่าไม่ประมาทนะมีฐานกายอยู่แล้วใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวท้ายสุดมันก็ไม่อยากเกินไหวมันเองหรอกเห็นะนคนมาหลายคนแล้วใกล้ตายเนาะหนึ่งเจอย พูดก็ไม่อยากพูดลูกหลานมาล้อมหน้าล้อมหลังชี้นั่นชนี้นี่ชี้โน่นหันหลังให้เลยไม่สนใจถนอมตัวเองขนาด น, นั้นเลเคยเห็นที่จันทบุรีก็เคยปฏิบัติธรรมมาตอนอายุสาวๆเลยล่ะยี่สิบสามสิบตอนหลังอายุร้อยกว่า ร้อยกับสองหรือร้อยกับสามปีนี่แหละก็ยังใจบุญอยู่เอาของมาถวายตอนจัดปฏิบัติธรรมวันปฏิบัติแกก็มาไม่ได้แกก็ตายวันที่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมนั่นแหละแกหันหลังให้คนไม่สนใจเลย แล้วก็ตายแบบนิ่มๆเย็นๆยิ้มๆเป็นโคลูที่ดีทีเดียวเราก็อยากเอาแบบอย่างเห็นคนนั่งสมาธิตายก็เหมือนกันอยากเอาแบบอย่างนั่งปล่อยจิตปล่อยใจหลุดตายไปเลยน่าสนุกเนาะ ที่เห็นตายแล้วทรมานกันมีเยตต้อยทีเนี้ยตายทรมานอย่างๆร้อ ง, อ, องโอดร้องโอยเรียกหาพ่อหาแม่กรรมาฐานก็ไม่ยอมหัดปฏิบัติจะบอกอะไรเช่นอะไรก็ บ, บอกแล้ว่ารู้แล้วรู้แล้วรำคาญมากเวลาพูดถึงเรื่องการฝึกสติตะตะขับรถออกไปน้อยกลับมาหน้าใสเลย มอีกครั้งหนึ่งกลับมาเลื่อนในห้องน้ำาุดนายปีพันนันกุณนายต้อยหงายท้องหัวกระแทกโอ้ยเป็นมะเร็งกูสามมาสร้างกูตายอยู่ในสุกโตตอนนี้กดนี้ไม่ชีดแต่ว่ายมหน่อยอยู่เป็นกูที่เลิ่นหรูมากในสมัยสิบปีที่ผ่านมาเย็นๆอย่างนี้แกก็โขก น้ำพริกทอดระโูเค็มนะกลิ่นก็หอมรอยไปที่สระไก่โอ้พระนี่สวดมนต์น้ำลายไหล ย, ยืดเลยหิวข้าวตอนเย็นไม่สนใจให้ยกมือเข้าไปยกกระ้ายสุปะตายอดโอยแม่ํำกลวนเรียกพอ่อเรียกแม่ สามีที่เคยฝากเคยแฝนม่เช่วยไม่ได้รักกันมากจะจูงกันไปนิพพานท้ายสุดก็คือสามีกันหนีไปศึกแม่ชีที่วัดไหนเอาแล้วได้ทำเมียใหม่ก็เห็นอย่างเงี้ยมันเวียนไปก็เวียนมาเวียนมาก็เวียนไปเราก็เลยโอ้มันมีอย่างนงี้ดเลยนาเราก็แมวแล้ว เห็นเราขันห่าก็แย่อยู่แล้วการนิรหลายขันก็ขันใครก็ขันมันก็ขัดเอาเองแล้วกันใช้เอเองรักษาเ อ, าเองดูแลเ อ, เองวางเอาเอง <c oughs> ก็เลยอยู่กันแบบบรรยากาศการยานมิตรหลวงพ่อท่านก็นสั่งไว้ชัดเมื่อเช้าต่างคนต่างอยู่ อยไปวุ่นวายกันแต่อยู่แล้วก็กรรมฐานเป็นหลักนะวันเวลาล่วงไปล่วงไปวันนี้เราทำอะไรกันอยู่นะสิ่งวแวดล้อมเป็นความสะดวกเพื่อที่จะฝึกกรรมฐานกันฝนะึกเป็นหรื อ, อยังนะเวลาเจอเข้อสอบเจอโจทย์นะเจอเข้อสอบเจอโจทย์นั่นะแหละนะคือสนุกดีนะ อะไรมาครูทั้งนั้นแต่เห็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของทางสว่างแสงสว่างแห่งปัญญาที่มันจะเป็นอิสรภาพเอาตัวรอดนะความรู้สึกตัวเบื้องต้นก็กลายเป็นท่ามกลางกลายเป็นที่สุดเวลาฟังหลวงพ่อครูอาจารย์ท่านเทศเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดไม่ สรุปลัตัดความค่อยๆเทศแต่แต่ลมเบื้องต้นให้เคลกิดไหวรู้สึกก่อนฐานกายเบื้องต้นสร็จแล้วก็ให้เห็นอาการของกายที่มันเกิดขึ้นมาเลยเวทนา <Yeah. S 1> เป็นความรู้สึกตัวด้วยเห็นจิตของเราที่มันมีอาการต่างๆเกิดขึ้นจิตเติบแท้ที่เป็นปกติอยู่กับจิตที่มัน <Yeah. S 1> เข้าไปคิดไปปรุงไปแต่ง <Yeah. S 1> เกิดอุปาทานอุปาทายาลูกนะ อันนี้ก็แล้วอ่ะในทำกลางท้ายสุดก็คือเข้าใจทำมักัการปล่อยวางแต่ว่าคิดวางไม่ได้น่ะเรื่องพวกนี้มันต้องลองใส่ความรู้สึกตัวดูเคลนไหวดูมันก็เห็นว่าวางไม่วางเราไปคลุกในงานดูแลเห็นว่านวางไม่วางเราไปเกี่ยวข้องกับคนดูมันจะเห็นว่าวางไม่วางมันจะเห็นนอกเห็นในทำที่เป็นภายนอกบ้างและทำที่เป็นภายในบ้าง ข้งนเราก็คือปกติมันจะสะท้อนยังไงสะท้อนกลับมามันเห็นตัวเองปกติเหมือนก็ดูในกระจกเงานี่ยแหละมันมองไปมันก็เห็นตัวเองมองไปมันเห็นตัวเองเหมือนมองกระจกเราเห็นบุคคลอื่นๆก็สะท้อนให้เห็นตัวเราเองนี่แหละก็จะรู้เรื่องคนอื่นก็รู้ตัวสังเองเหมือนกับผู้ที่ เขาล็อตนาไว้จะรู้ภายนอกได้หรอมันรู้จักตัวเองตัวสูงเองก่อ น, นมันก็จริงเราก็จึงไม่สนใจนคิดของเราโดยตรงอยู่อย่างต่มทำงานอย่างสูงนคนอื่นก็ดูแลเราอยู่ คุติเสนาสะนะจาลาอาหารการรบชันต่างๆน้ำไฟสะดวกยิ่งสะดวกเรายิ่งใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดย า, ารกักษาโรคเราก็มีเต็มตู้เลยยุคนี้สุขโตเป็นยุคที่ สะดวกที่สุดแล้วล่ะนมันก็ยังจะสะดวกกว่านี้อีกยิ่ ง, งขึ้นไปแต่ก็เห็นว่าถ้าสะดวกมากเท่าไหร่ก็มันจะกลายเป็นเรื่องของกรรมฐานในรูปแบบมาจะยิ่งถูกละเลยไปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังได้เห็นบ้างว่ามีคนมาเดินจงกรมกันอยู่แถวๆนี้หรือว่าบางทีไปเดินตามกุฏิกล้ๆเห็นว่า เราตั้งใจปฏิบัติกันอยู่ตามกุฏิก็มีเดินจงกลมวันนี้ท้าวถิ่นเกตก็ไม่ค่อยได้พูดได้คุยกันเท่าไหร่ตามกุฏมีบ้างเล็กน้อยแตเออ่เห็นว่าอยู่ในในจุดที่พอรับกันได้ส่วนใหญ่ก็ปฏิบัติกันอยู่เป็นความรู้สึกที่เราต่างคนต่างต้องพาเรือเดินทาง เราถ้าเรียกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วนะบางวัดนี่มีเป็นพันคนเลยนะแถวภาคกลางนะยุธยาเรือวัดหลวงพ่อจันลันถึงกันมีคนบอกไปนี่นะนอนเนี่ยโลามันรวมต้าเรนอนพิกไปเนี่ยหัน พลิกกลับมาทีคนนอนที่เราแล้วเวลานอนก็ต้องนอนนิ่งเลยไนงะถ้าพลิกไปกลับมาคนมานอนแล้วมันแน่นขนาดนั้นเนหะมือนอยู่กันในคุกเลยในคุกเดี๋ยวนี้ก็นอนนอนนอมันคนต้องนั่งหลับก็ไมคนเข้าคุกกันเยอะแต่สุขตไม่ถึงขนาดคุกนะแเราไม่ถึงขนาดวัดของบางวัดเนะื้อที่ห้าอยกว่าไรมันก็โลง่ลงๆโปร่ปงๆอย ต่างคนต่างอยู่กันสะดวกดีเห็นกายเห็นใจของแล้วก็คิดว่าจวัดประจําบันของชุมชนเราก็ได้แสดงออกใน้รวมทําวัดสดมันแล้วว่าบางทีทุ่มสองทุ่มก็เห็นเดินอยู่ข้างล่างโอ้ดีมากๆเลยมันให้กําลังใจซึ่งกันและกันหรือบางทีอย่างเี้ยนะ ตีเนี่ยแถวรานหินโค้งเนี่ยก็ใช้ได้แต่ช่วงนี้ไฟมันช็อตอยู่มีพระที่ท่านกำลังช่วยแก้ไขให้กาดวายวันสองวันก็น่าจะสะดวกเตรียมงานกันไว้เพื่อที่จะเก็บรมเข้ม40วันมีพระเริ่มจะบอกมีที่ว่างไหมจะมากางเต็นต์แล้ว ม, มีคำถามแบบนี้โทรศัพท์เข้ามา จริงๆเราไม่ต้องโทนะมานะี่มันง่ายที่กว้างๆโล่งๆมากมายแล้วก็เรา ก, กางเต็นต์ามแผ่นพื้นแผ่นปูนที่วางเอาไว้ให้หลายจุดตอนนี้ใครมาก่อนก็ได้ก่อนผู้ชายจะนอนกันด้านบนหลังพุทธูปผู้หญิงก็เหมือนเดิมแหละเก็บลมเข้มปีนี้ นอนอยู่รอบรอ บ, รอบลานหินโค้งที่เป็นแผ่นปูนแล้วก็ชายร่างทั้งหมดถ้าใครถามก็ตอบก็หน่อยนะเพราะเริ่มมีคนโทรถามก็มาเยอะให้มาเลยกลางเนีก่กลางเต็นท์ได้ได้ทุนนะชายชายที่เก็บอารมณ์เดินจงกรมมีไฟมีแผ่นปูนให้นอนห้องน้ำก็มาเข้าตรงนี้เริ่มเตรียมแล้ว ทุกปนี่สังเกต ด, ดูเก็บอารมณ์เข้มวัดป่าสุกตมัมจะแตกต่างจากที่อื่นที่ว่าแตกต่างเพราะเราไม่ได้บังคับกันทํานะบอกก่อนที่นี้กรรมมุนาวัตติโลโกสัตย์โล ก, ก, โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเลยล ะ, ะบางคนเคยเข้มประเภทยกมือเดินจงกรมตลอดแล้วต้องอาศัยคนอื่นก็ทําเป็นตัวอย่างพอเขาไม่ทําเราก็แทนที่จะทําก็ไม่ทำเงี้ยกลายเป็นท้อเก็บกดเก็บเต้นกลับเอาไปเฉยเลย ในประมาณสักสิบวันนั่นแหละกระมาฐานแตกหรือบางทีอาหารเราก็ทํากันน้อยๆช่งเก็บอารมณ์เข้มกินข้าวห่อเดียวบางคนไม่ได้บางคนก็รับไม่ได้ว่าอาหารมันน้อยเกินไปกระป๋าอีกสอบตกงั้นเลยพวกนี้สี่สิบวันก็อยู่ไม่ได้บางทีก็กรปล่อยแพ้หลายลูกก็นอน นอนอยู่ในเต็นท์นั่นแหละอันนีก็มีสู่บุหรีบ้างอะไรบ้างพระข้างนอกเข้ามาหลวงพ่บเขียนท่้ก็ปล่อยอยู่แล้วใครทำยังไงก็ได้งันแหละท้ายสุดก็อยู่ไม่ได้บางทีก็อยู่กันแบบลาวอพยพเลยนะสังเกตเคยดูโอ้โอโนอต่อนั่นเติม น, นี่บางทีก็ขยะทิ้งไว้รอบๆเต็นท์เต็มไปหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนี้เอฟ เ, เก็บข้อมูลมาเล่าฟ์ฟังให้เฉยเสื้อผ้าเต็มเหมือนเรา อ, อุยบเนะี่ยมันไม่เหมือนกับนกักกรรมฐานนะที่อยู่แบบพระจีวรสามผืนถ้าเป็นผมน่ะทาไมาเก็บอารมณนะ์เนจะมีแค่จีวรสามผืนกับบาตรนะนอนก็อย่าบอกจีวรนี่แหละโฮมฟ้าบาตรอะไรเป็นหมอน เวลาฝนตกก็เก็บของที่จำเป็นใส่บาทด้วยกันที่มันจะเปียกอยู่ง่ายๆเลยมีอยู่ปีงเอาไอ้แผ่นประตูไปนอนบนกิ่งไม้ประตูก็หาตามเหตุตามปัจจัยก็ทิ้งแล้วฝาบาตลองหนุนนอนไม่มีพัตติกวันแรกฝนมันตกก็เดินไปเจอถุงพัตติกเอาว้จีก็เสร็จแล้วก็คลุมข้างบนแล้วก็จีวร เราก น, นอนฝนตกนั่นแหละสบายมันตกก็ไม่เปียก แ, แต่ก็กระทบกับเราแล้วปกแป๊กปักแป๊กปักแป๊กเก็บมาลมณ์ก็ฝึกให้มันลำบากพอลำบากเราก็สบายแต่ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเราจะทำตัวให้ลาบากอางั้นตลอดไปนะถึงเวลาสะดวกก็สะดวกถึงเวลาสะดวกเราใช้ธาตุขันให้สะดวกตามเหตุตามปัจจัย ศีลนำสุขมาให้ศีลนำพุทธะมาให้ศีลนำความเยี่ามมาให้ตามเหตุตัมปั จ, จยอย่างเงี้ยเราก็เลือกได้อันนี้ก็เรียกว่าปัจเจกปัจเจกขณายานมากมายเหลือเกินนำก็จะเห็นการแก่การเจ็บการตายเป็นเรื่องธรรมดาล่นะะจริงๆแล้วแล้วยิ่งบรรยากาศของกาลยานวิวทมันช่วยได้เลยนะหลวงพ่อท่านพูดไว้นะเพื่อนดีหมอดียาดีกรรมฐานดี คล้าคลาน น, นเกิดนะแก่น้นเจ็บน้าตายกันนะมันก็มีบรรยากาศแบบนี้เราก็เตรียมตัวเตรียมใจสำหรับคนที่จะเก็บอารมณ์เข้มนะลองจัดสรรชีวิตมันเรียกว่ามีภาระน้อยที่สุดแล้วมีกายมีใจแล้วอยู่ได้กายได้ใจของเราแล้วก็มีความสุขที่สุดนั่นแหละตรงนั้นแหละก็คือลักษณะของพัฒนาการที่มันยิ่ ง, งขึ้นไป เบื้องกลเบื้องต้นทำกลางแล้วเป็นที่สุดอย่างงี้นะอันก็พูดให้ฟังตลอดวันนี้นกลับม า, าพร้อมกัน